การออกมาขบไอเขี่ยวการออกมาภาว น, นาาทำไมมากมันเจริญให้มาก จ, กาางาจึ ง, ง, ง, จ, ะงจะมีนักบวชเท่าทรซับฝันขยันก็ยอมหาซับได้ฝันเกลียดข้างก็หาซับไม่ได้อยได้จนจะได้จนจิต จ, จนใจความจดเขาจีบอิญฉาคือความทุกข์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 เร่งกายหรจิตใจมันเป็นต้นต่อเป็นหลักเราะจะต้องเรียนให้จบจนเลยหมันกับพระพุธเจ้าว่าถัดว่าขาดสิ้นแล้วความไม่จันยรจบแล้วจิตอื่นที่จะต้องทม่ีอีกแล้วคือมันสิ้นแล้วมันจบแล้ว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 กปวดขาวปวดแขนทุกที่เป็นมรรคตุกัดทุกทุกที่เป็นนิจระนาถกอทุกตัวนิจทุกตัวนิจก็คือการหายใจเข้าหายใจออกการเคลื่อการเคลื่อนไการยืนโดนนนอนต้องต้องคิดอย่างนั้น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 ไหลยอยู่มันไหลเลื่อยมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์นไม่ใช่ตัวตนไม่มีใครเป็นใหญ่ได้ทุกข์ที่เป็นสภาวะทุกข์ ท, กที่เป็นสามัญลักษณะทุกข์เนี่ยเสมอๆกันจะเป็นเจ้าข้ามากษัตริย์จะเป็นเศรษฐีข่าบริแม้จะเป็นพระบริเจ้าก็เสมอกันไม่มีใครที่จะได้สิทธิอะไร ไม่มีใครฟ้องกันได้ไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนย่อมละทิ้งในสิ่งทั้งปวงอันนี้จะเป็นทุกข์ที่เป็นสภาวะทุกข์ทุกข์ของโลประธรรม ท, ทุกข์ของนามธรรมาถ้าจะละวงพ่อเคยตอบตอบได้อย่างงดงามให้ชื่อเพียงแต่ว่าเป็นอาการไม่ชื่อเป็นอาการ แต่เป็นความร้อดความหนาวความอะไรก็ตามที่เป็นทุกข์ทั้งหลายเนี่ยของฟองให้ให้ชื่อว่าเป็นอาการความโกรธก็เป็นอาการความร่อนความหนาวก็เป็นอาการความปวดความมั่วจะเป็นอาการถุกต้องที่สุดก็เป็นอาการของเขาอาการเป็นร้อนไมเป็นมันหนาวไม่เป็นมันหิวไมเป็นก็ไม่ใช่ลูกลูกที่เป็นมีวิญญาณของ ที่มันเป็นรูปประธรรมมีนามวัธรรมมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่เหมือนคนตายคนตายเนี่ยเอาเผอาเอาไฟไปเผาเอาใดไันก็ไม่มีอะไรเพราะมันไม่มีรูปมันมีแต่รูปมันไม่มีนามก็เลยให้ชื่อเพียงเป็นธรรมชาติเป็นอาการแต่ทุกที่เป็นทุกอริยสัจสี่ทุกเป็นผลผลของสังขารทุกตรงนี้ตรงละต้องเก่นตัวไห น, น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 ถ้าเราไม่เลื่อมแก้ตรงนี้มันจะเสาซาลาหน้าวัดเราถ้าเราไ่เลื่มแก้อักเสบไปเลยบางต้นปลวเข้าไปอยู่ด้านในเราขึ้นไปถึงคานบนอ่ะคานล่างไปแล้วมันก็เกิดมะ เ, เร็งแล้วต้องตัดออกทิ้งไปเลยรักษาอวัยวะ รักษาชีวิตต้องเสียวัยวะณรักษาธรรมต้องเสียสชีวิตทุกสมุทัยนี่ก็เหมือนกันเป็นทุกข์ที่มันกบเลืกถ้ตัวนีเกิดขึ้นเาก็พังไปทั้งหมดแล่จะเป็นสามัญลักษณะทุกข์จะเป็นนิจลักษณะทุกข์จเป็นรักขันตุกข์ทุกข์ไปหรื่อยหมดเลยพังไปเลยเข้าคุบคนไว้เลย ไเลือดของกายเป็นสเหตุที่ทำเป็นพิษไม่ น, นำล้วงไปเลก็ตามไปเลยรวมเป็นโลกเป็นโลกของทุกไปเลยเป็นก้อนทุกไปเลยแต่ถ้าเรามาลูล่เรื่องทุกอริศ ต, ต์นะทุกสมัยัวนี่ยทุกเพตัวไวม่ล้นทุกเพตัววิชาก็ก็เปลี่ยนได้ง่งงงงายๆผมก็เคยพูดภาษาหลวงพ่อว่ามีตัวลูกวลกวล่กับตัวหลง ชีวิเราทั้งหมดมีตลกตูกกับตัหลงที่เรามาสร้างนเนี่ยเรามาสร้างตัวลกูกมันเล่นงา น, นตัวนี้ไ ม, มันก็ย่อให้เรามันสรุปให้เรากำหนเดียวทำสอนพระพุทธเจา้าม่ว่าปลายเท่าเท่กากำไรม่ายในป่าพระพุทธเจา้ามาสอนัวกเราเหมือนกับใบไม้กำหนดเดียวในพระพุทธเจา้า ตามจานี้เองที่เดินไปป่าสังสารสุปกับใบไม้เข้ามากรรมือนัง่งชูขึ้นให้พิสูุทั้งหลายดูว่าพิสูจทั้งหลายใบไม้ในกรรมือกับใบไม้ในป่าอั น, นมันมากกว่ากันที่ทั้งหลายก็ตอบว่าใบไม้ในป่ามากกว่าใบไม้ในกรรมอของพระ อ, องค์พระพุทธองค์ก็ตรัส่านี้แหละ คำสอนของเราที่ดีมากฝังเข้าไปไม้ทั้งฝ่าแต่ว่าเอามาสอนจริงๆที่จะเป็นความจําเป็นจริงๆเรียดรวนจริงๆก็คือใบไม้ก็มาเดียวคือตัวลูกกับตลงไม่ไปทางไหนเดียตวตรงนแน่นอนถ้า ต, ตลงกับฝ้ายทางอื่นถ้า ต, ตัวลูกก็หยุดแล้วหยุดแล้วหยุดแค่นี้หยุดแค่ลูก อะไร้าไปไม่ได้ตัวลูสึกตัวเราจะมาสร้สางตัวเนี่ยมาสร้สางตัวลูกตัวนี่ยในตัวลูกมันกลังก็เกิดสงรวมลงเป็นการรักษาสินตัวลูกตัวเนี่ ย, เ, เ, เ, ป เ, ยเป็นการทำบุญเป็นการเจริญภาวนาเป็นที่เกิดเพราะว่าบุญกิริยาวัตถุทานละไมสินละไมภาบรรณามาัยอยู่ในตัวลูกทั้งหมดแตมาทำบุญ เรามาสร้างเสถียรนั่นก็เรามาทำบุญบุญคืออะไบุญที่จะเกิดตัวรูกบุญคือรูกบุญในประมาทนะไม่ใช่บุญภาษาของโลกนะบุญบ้องไปบุญอะไรต่างๆสารพัดอย่างแต่ว่าบุญที่เป็นประมาททางสภาวธรรมคือตัวรูกตัวตัวรูกตัวบุญก็ตัวลูก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 ความโกดความโลกความหลงความไม่ตบความหลงหรือสลดเรื ra, ่องความทุกความทุกอยู่ในนี้ตอนนี้โผล่เรืที่มันทุกข์ามันหลงที่มันหลงก็มันไม่หลงเอาไปเอามามันก็อยู่ในกำเมิของโลกเราเห็นทุกที่เป็นบูตทุก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 ตู้ปังขานลูบลูบชาติตอนสมมตํลูบกันปิ้งจิ้มจิ้มกันความสุขเนี่ยเป็นรถเป็นเดียวตอนเผ็ดตอนเค็มตานหวานตามเปรี้ยวหลายเล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 ก็เินมนเห็นดเอ า, าไปกเนี่ยปแะวดตรงนิดหน่อยก็เดได้เาขยุขาเราบอกดิว่ามั น, ปนเป็นยังไงให้มันขย่ายงนี้เราก็ไม่เข้าใจการขยุกยังนี้เราางไม่ออกมันนเดินก่อนแใช่อันนี้มอนืนนี้เจดเราเดินไปเหยียบดินทรายทนี เนนพระเราไปเยียบมันจ่น้ามีนไหลเนี่ยพราะถอดขาออกจะด้านมนสู ง, งเรห็นสมมลูสมมติลูกำ ก, กับไปเดินอยู่ประละมัดประมัด ท, ที่เดดที่สุดอลู่สมมติเนี่ประลมัดไม่เห็นไ้่เห็นประมัด สัพพรละมัตต <kindergarten>. ์เป็นเดนแต่เมื <incorpor ation> <m aren> ่อรื้อสมมติออกละมัตต์คือยังงต้ไม่เที่ยงนี้ก็เป็นลมัตตรควาเป็นทุกข์ี่เป็นละมัตต์ามไม่ใช่ตัวตนนี่เป็นลมัตจริงเด็ดไม่เที่ยงจึงเด็ดเป็นทุกข์จริงเดดไมใช่ตัวตนมันลึกเข้าไปต้องไม่เที่ยองนีจริง อภิพลไม่เที่ยวเนี่ยแต่ไปที่าวแต่ต้องเป็นคนจริงบอกคนเลยเถอะเป็นคนจริงคมไม่โกรธคนประมาทคนโกรนสมมติคมทุกข์เป็นสมมติคมไม่ทุกข์เป็นสมมติคนนี้จะดิบตัวตัวที่ไม่เป็นรลยจะเป็นถูกต้องกว่าคมโกรธไม่ถูกต้องเลยคนไม่โกรธถูกต้องที่สุดคนทุกข์ไม่ถูกต้องเลย ตอนมีทุกฝูงกล้องที่สุดมีเป็นกลลมันตอนชีวิตของเราเนี่ยยื้อเรามาตะลนสติอยู่เดี๋ยวนี้มันเป็นการมันเป็นก ร, ระบวนการแห่งการลู้ถอนถอนภพบอนชาติเป็นโลกประทานเงินนามมาทำเห็นกองลูกเป็นกองนาม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 กองขันธ์ห้าเขาทาหน้าที่เพื่อกเื้อนชีวิตความเป็นจริงของชีวิตเราไปลูป่ไปเหตุลอารมณ์ที่สองารมณ์ที่สองจะไปลู่เรื่องขันห้าเรศีลเ่งสมาธิเรื่องปัญญาไปลเเูเรื่องนักเกลี้ยนกัเรื่อยๆนะแล้วเรารตัดท้าในบอก เราขุดน้ำบ่อไปเจน้ําการเจอน้ำบอใหม่ๆมันไม่ใสเดิมไม่ได้ต้องตักออกบ่อยๆต้องตักออกบ่อยๆยิ่งตักเทไหน้ํายิ่งใสตักเทไหลน้ำยิ่งใสเพราะ น, น้ำใหม่ไหลออกมาน้ําเก่าก็ตักออกความู่ที่เราไปรู้ไปเกี่ยวข้องเช่นความรู้สึกตัวเรวที่รู้บ่อยๆรู้บ่อยๆก็เนี่ยคมู้สึกตัวมันพัฒนา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 เราก็ฟังไปในตัวรู้ไปในตัวเหมือนเือเพลงกับดนตรีสิ่งที่หลวงพพูดเป็นเนื้อเพลงเสียงน้ำคงตกเป็นดนตรีสักส้นหมดไปม่ใชโอ้ัวเวลาหลวงพอเงินก็ง่วงจะดีกว่าเงินส่งอาทิีย์มดังอะไรคีไฟๆแบก็เลยไม่ทจเดินไปมมแค่นั้นไม่แค่นั้นไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่สมมุต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 อเ น, นกชาติสังสารลังสันธาพิสังอเ น, นิิสังเมื่อเรามายังไม่พบจานต์ไม่มีสติเราได้เล่นท่องเที่ยวไปในสังขารเป็นอเ น, นกประชาติคือความคิดการโกลงตกลงแดๆวิ่งท่องเที่ยวไปการเกิดทุกข์พาเป็นทุกข์ลำไปบัด น, นี้เราเห็นเจ้าเสรแล้ว เจ้าสังขารเอ๋เราเห็นเจ้าเสฉลี่ยโครงเรวอนทั้งหมดของเจ้าลองหักแล้วยอดเรือ น, นของเจ้าเราลู่ลงแล้วเจ้าจะทําอะไรให้เราไม่ได้อีกต่อไปแล้วอิจฉลแล้วบ่เอาไปดตัดผาสิทธิ์ในขณะเป็นเรื่องต้นเรียกว่าปฐมผาสิทธิ์ปฐมคือดึงขั้นแรกเป็นขั้งแรกที่จะด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 ไปก่อาานภรรยานนี้โอ้ลังเลไม่มั่นใจไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรในใจขอเพิ่มใจไม่ได้จะก่อนในรู้ว่าจะเป็นยังไงโคลโคลแฝกรฝกบางทีสามีปัญญายกันแต่ยังไม่มั่นใจบางคนต่างไม่มั่นใจพี่น้องก็ไม่มั่นใจไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอันตรายของพ่อเป็น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 ภาวะที่ไม่เป็นอะไรเป็นภาวะที่ทมไม่จันทรมไม่จันทรเจริญศิขาและธรรมเป็นเรื่องเล่นชีวิตถ้าป็นอะไรอยู่ทมไม่จันทร์ไม่เจริญมันอดอยากมอดอยากถ้ า, ายิ่งอดก็ยิ่งอยากยิ่งทุกข์ก็ยิ่งยากไม่อดไปยากไม่ทุกไปยากก็เปลี่ยนยกันไล่ อยู่ตรงที่ภาวะไม่เป็นอะไรกลับไปบ้านวันนี้นะกลับไปบ้านอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่ไม่เป็นอะละเห็นนี่จะเห็นนี่ได้เห็นนะบัดหลวงพ่อไปพูดภาษาหลวงพ่อว่าเป็นผู้เห็นไม่ได้เป็นผู้เป็นเป็นผู้ดูไม่ได้เป็นผู้อยู่อ่าพูกแบบไน้อหลวงพ่อไม่ได้เห็นไม่ได้เป็นเลย